เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอนนท์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นคุณอนนท์เดินทางไปเที่ยวหาเพื่อนสนิทเทียมเพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางภาคใต้คุณอนนท์เล่าว่าผมขับรถยนต์จากกรุงเทพไปคนเดียวพอไปถึงบ้านเพื่อนที่หาดใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายกินข้าวกันเสร็จด้วยความเพลียผมก็นอนหลับไปยาวเลยตื่นมาอีกทีก็กินข้าวเย็นต่อเลย เพื่อนผมคนนี้เป็นคนหาดใหญ่ที่เคยไปเรียนที่กรุงเทพเพราะมันกลับมาหาดใหญ่หลังจากที่เรียนจบเราก็เพิ่งได้เจอกันนี่เองก็เลยคุยกันไปดื่มกันไปตามประษาพเพื่อนสนิทพอสักช่วงประมาณสองทุ่มกว่าโซดาน้ำแข็งเริ่มหมดผมก็อาสาออกไปซื้อให้ไปยืมมอเตอร์ไซค์มันไปผมขี่รถออกไปเรื่อยๆตามทางเพื่อหาร้านโชว์หวยใกล้ๆ เพียงพอเปิดให้ซื้อของได้แต่ก็ไม่ยักมีร้านข้างทางเท่าไรหร่เลยขี่รดเลาะหาร้านค้าตามซอยต่างๆไปเรื่อยๆจนผมขี่รถเข้ามาในซอยซอยหนึ่งก็เห็นยายแก่ๆผมงอกทั้งหัวนั่งอยู่ริมทางเท้าตอนนั้นผมก็งงในใจคิดว่าดึกขนาดนี้แล้วทำไมไม่กลับบ้านยังมาขายอะไรอยู่ข้างทางอีกแล้วใครจะไปซื้อด้วยความที่ซอยนี้ค่อนข้างมืดและทางก็โลง่ง ผมก็เลยขับเร็วติมที่ระหว่างนั้นก็เริ่มออกใจเห็นสารเจ้าสารพะภูมิเก่าๆสีแดงอยู่เต็มสองข้างทางและอากาศก็เย็นะเยอะืเยอกแปลกๆท่านใดนั่นเองผมก็ได้ยินเสียงดังตามมาจากข้างหลังผมเหลือบมองดูกระจกมองหลังภาพที่เห็นคือคุณยายผมขาวคนเมื่อกี้คลานด้วยมืออย่างรวดเร็วพุ่งตามรถของผมมา หน้าตาของคุณยายดูบิดเบี้ยวเหยเกลิ้นสีแดงหอยออกมายาวดวงตาปูดโปนจ้องมาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อแต่คุณยายกลับไม่มีท่อนล่างผมเห็นได้ชัดจำได้ขึ้นใจแม้มองผ่านกระจกหลังผมบิดรถเร่งหนีแบบไม่คิดชีวิตไม่กล้าหันกลับไปมองเลยครับแต่เสียงกับดัวขึ้นดังขึ้นมันบอกได้ชัดเลยว่าคุณยายยังตามผมมาอยู่ จนเสียงเงียบลงไปแต่ความรู้สึกมันกลับมาอยู่ที่เอวของผมผมรู้สึกถึงมือมาโอบเอวผมไว้ผมขนลุกสู้เหมือนหนาวจัดไม่กล้ามองข้างหลังรีบรวบรวมสติและรีบบิดไปไปพร้อมคบบุญยายที่โอบเอวผมอยู่นี่แหละครับจนพ้นซอยตรงแถวหน้าม อ, อความรู้สึกนั้นก็หายไปทันทีมองกระจกหลังก็ไม่มีใครเลย ผมจอดรถพักสักครู่เพราะมือผมสั่นไปหมดขี่ต่อไม่น่าจะไหวพอพักจนเริ่มมีกำลังผมขี่รถกลับบ้านเพื่อนผมทันทีไม่กินมันแล้วเล่าด้วยผมยอมอ้อมไปทางอื่นพอกลับไปถึงบ้านผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนผมก็ตกใจเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าที่คนพูดต่อๆกันมาเพราะเพื่อนผมก็ผ่านซอยนั้นบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนวันรุ่งขึ้น ผมก็ได้ไปสอบถามประวัติของยายคนนั้นจากคนแถวนั้นคนแถวนั้นรู้จักเป็นอย่างดีเลยเรียกคุณยายท่านนี้ว่าคุณยายสปีดว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วมีอยู่คืนหนึ่งคุณยายที่ผมงอกทั้งหัวถูกแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งชนบริเวณกลางตัวจนขาดเป็นสองท่อนตามแรงอัดของรถคุณยายจึงกลายเป็นผีใต้โลงอยู่บริเวณดังกล่าวเล่าลือกันในหมู่พวกเด็กขี่รถซิ่ง ก็เจอคุณยายสปีดกันนับครั้งไม่ถ้วนเชื่อกันว่าหากแ ก, งก๊งรถซิ่งคันไหนขับผ่านเข้ามาในบริเวณซอยดังกล่าวตอนกลางคืนหลังสามทุ่มไปจะถูกผีคุณยายสปีดหลอกเอาโดยจะเห็นเป็นร่างหญิงชลาที่มีผมงอกเต็มหัวพุ่งและลอยคล้ายคนตะกายตัวไปด้วยมือสองข้างขนานกับพื้นถนนด้วยความเร็วสูงแลบลิ้นยาวแดงเป็นเมตร บ้างก็ว่ากระโจนขึ้นมาเกาะหลังคนขี่มอเตอร์ไซค์บางรายเชื่อว่าหากดวงชะตาไม่ดีสติไม่ดีก็อาจถึงชีวิตเลยก็ว่าได้ปัจจุบันซอยคุณยายสปีด ต, ตั้งอยู่ระหว่างวัดโคกนาวกับห้างเทสโก้โลตัสสาขาหาดใหญ่ตรงข้างมอคุณยายสปีดจะเป็นเพียงเรื่องเล่าสนุกปากหรือเป็นเรื่องจริงงันชวนสยดสยองเราก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ชี้ชัดได้แน่นอน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ